อีกวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปพระราชอุทยานกับมโหสถบัณฑิตการนั้นมีกิ้งก่าตัวหนึ่งอยู่ที่ปลายเสาค่ายมันเห็นพระราชาเสด็จมาก็ลงจากเสาค่ายมอบอยู่ที่พื้นดินพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของกิ้งก่านั้นจึงตรัสถามว่าแน่ ä, บัณฑิตกิ้งก่าตัวนี้ทําอะไร มโหสดทูลตอบว่ากิ้งก่าตัวนี้ถวายตัวพระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าการถวายตัวของกิ้งก่าอย่างนี้ไม่มีผลก็หามิได้ท่านจงให้โพคกขสมบัตแก่มันมโหสดกราบทูลว่ากิ้งก่านี้หาต้องการซั์ไม่ควรพระราชทานเพียงแค่ของกินก็พอครั้นตรัสถามว่ามันกินอะไร ทูลตอบว่ามันกินเนื้อแล้วตรัสซักถามว่ามันควรได้ราคาเท่าไรทูลว่าราคาราวกากณิกหนึ่งจึงตรัสสั่งราชบุรุษหนึ่งว่ารางวัลของหลวงเพียงกาณกิกหนึ่งไม่ควรเจ้าจงนำเนื้อราคากึ่งมาสกมาให้มันกินเป็นนิดราชบุรุษรับพระราชองการทำดังนั้น จำเดิมแต่นั้นมาวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถคนไม่ฆ่าสัตว์ราชบุรุษนั้นไม่ได้เนื้อจึงเจาะเหรียญกึ่งมาศกนั้นเอาได้ร้อยผูกเป็นเครื่องประดับที่คอมันลำดับนั้นความถือตัวก็เกิดขึ้นแก่กิ่งก่านนั้นอาศัยมันมีกึ่งมาศกนั้นวันนั้นพระราชาเสด็จไปพระราชอุทยาน กิ่งกานนั้นเห็นพระราชาเสด็จมาก็ทำตนเสมอพระราชาด้วยเหมือนจะเข้าใจว่าพระองค์มีพระราชทรัพย์มากหรือตัวเราก็มีมากเหมือนกันด้วยอำนาจความถือตัวอันอาศัยทรัพย์กึ่งมาสกนั้นเกิดขึ้นไม่ลงจากปลายเสาค่ายหมอบยกหัวผงกอยู่ไปมาบนปลายเสาค่ายนั่นเอง พระเจ้าวิเทหราชได้ทอดพระเนตรเห็นกิริยาของมันเมื่อจะตรัสถามว่าแน่เจ้าบัณฑิตวันนี้มันไม่ลงมาเหมือนในก่อนเหตุเป็นอย่างไรหรือจึงตรัสคาถานี้ว่ากิ่งก้านี้ไม่ลงจากปลายเสาค่ายหมอบเหมือนในก่อนเจ้าจงรู้กิ่งกากระด้างด้วยเหตุไรบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าไม่หมอบ ณอุณณมติความว่าวันนี้กิ่งก่าไม่ลงหมอบยกหัวผงกอยู่ไปมาบนปลายเสาค่ายนั่นเองฉันใดกิ่งก่าไม่ลงมาหมอบอย่างในก่อนฉันนั้นคําว่ากระด้างด้วยเหตุไรเกณะ์ถัดโทความว่าถึงความกระด้างด้วยเหตุไรลำดับนั้นมโหสดบัณฑิตรู้ว่า ในวันอุโบสถคนไม่ฆ่าสัตว์มันอาศัยกึ่งมาสกที่ราชบุรุษผูกไว้ที่คอเพราะหาเนื้อให้กินไม่ได้ความถือตัวของมันจึงเกิดขึ้นดังนี้จึงกล่าวคาถานี้ว่ากิ่งกาได้กึ่งมาสกซึ่งไม่เคยได้จิงดูหมิ่นพระเจ้าวิเทหราชผู้ทรงสงเคราะห์ชาวกรุงมิถิลา พระราชาตรัสให้เรียกราชบุรุษนั้นมาตรัสถามก็ได้ความสมจริงดังนั้นก็ทรงเลื่อมใสในพระโพธิสัตว์เกินเปรียบด้วยเห็นว่ามโหสถมิได้ถามใครๆก็รู้อัธยาศัยของกิ้งกาได้ดังพระสัพพัญยูพุทธเจ้ารู้อัธยาศัยเวในสัตว์นั้นจึงพระราชทานสวยที่ประตูทั้งสี่แก่มโหสถบัณฑิต แต่เกลียวกิ่งกาทรงปรารบจะให้ค่าเสียมโหสถทุนทัดทานพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาสัต ด, ดิรฉานหาปัญญามิได้ขอพระองค์โปรดยกโทษให้มันเถิดปัญหากิ่งกาจบ